มาอ่านนัเรียนอันตะกอนเนีสุรมารยามายาที่ยี่สิบหกถึงอายาที่สามสิบสองสันสันฟักูลีวัชรอบีวักโรนีไอนีไอนา فإما ترينا من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن ص ل و ا ف فلن أ ك ل ّ مل ي و م َ إنسيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ف ك ك ل وشرب وقر عينا. เราอิหม่าตารายิِนาไม่หนัลบِชัยลิอับฮาดัมฟะปุลีอินนีนา ف َ م َ ن ف َ ل َ ل ِ م ي َ و ْ م إِنْسِيَ ف َ أ َ ت َ ب ِ ه ِ ق َ و ْ م َ ا تَحْمِلُهُ. พอดาจิตชายอันฟารีย์ยา خ ัคร ซาอูอิวะก a ณัตอุมูคี i ะกิยา إليه قالوا كيف نكلم من كان في المد صبيا قال إن عبد a ลลอฮ ت ا ن ي الكتاب وجعلني نبيا أجعلني مباركا ً أ َْ ن م ا كنت وأصاني بالصلاة والزكاة ما دمت ُ حيا. ج ب ر ي وبرم بالدتي ولم يجعلني ج ب ر شقيا. ل ح م لله ا ل ع ح م ن ا ل ر ح ي م จงนั่นอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุห์และอัลลอฮ์และอัลลอฮ์และอัลลอฮ์และอัลลอฮ์และอัลลอฮ์และอัลลอฮอัลลอฮ์และอัลลอฮ์แอัลลอฮ์และอัลลอฮ์และลลอฮ์แะลลอฮ์และอัลลอฮ์และอัลลอฮ์และฮ์แะอัลฮ์แลอัลลอฮ์และอัลลัลลอฮ์แะอ์ะละลฮ์ะอัฮอัะฮะัอัฮะะลฮ์อัลลอฮะะอัฮ วับิกะอัมไซนะวับิกะนาฮ م ا ะวับ ل กะนา ا ل ตุไวไลคันِ مِنْ شَرِّ مَا خ َ ل َ ق ต ب ِลาฮิตา ل ะติมิญชัลริมะฮัลลัคบิสมิลลาฮิลลาฮิลลา յ ยัดุร์มะอัซมิฮิชาอุมฟิลอาร์ดีวะลาฟิสส์มะห์วะฮูอัลซามีอัลอาลิมฺ ت ُ بِاللَّهِ ر َ ب บّ ا วับิล إسلام ah uh. ِ <that> ah د ِ ي ن ا وَبِمُحَمَّدِ الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ر ب ّ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ปีนังที่รวมนามะต์จม اعة ศุภที่รักตั้งหลายครับฮมดุลิลลา ขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และก็ต่าที่อัลลอ์ให้เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาและดัวะบทแรกที่เราอ่านเป็นการขอบคุณอัลลอ์ก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลัลลิอัยานะบาดะมะอามะตนะไวไลฮินูชูรหนึ่งคติในอัลลอฮ์ สเป็นการแก้ปมเป็นการแก้ปมปมเนี่ยใครผูกอะ่ะใช้ตอนถูกตอนไหนตอนที่เราหลับใช้ตอนไม่หลับแต่เราเนี่หลับใช้ตอนมันถูกสามปมปมแรกหลุดด้วยดุอาด้วยการอ่านดุอาด้วยการนึกถึงอ AH. ัลลอฮ์ปมที่สองหลุดตอนไปอาบ น, น้ําำนำมาส นี่ปมที่สองหลุดนะและปมที่สามเนี่ยหลุดตอนไหนตอนเข้าเสือนามาตอัลลอฮฺกอับดนี่เป็นความลับที่อัลลอเผยผ่านนาบีให้นบีมาสอนคนในประชาชาตินี้แล้วก็ใครต้องการที่จะให้ชีวิตของเราตื่นเช้าขึ้นมาคือเรียกว่า น, นาชา่งกปรีก้กระเป๋านะจะไม่ขี้เกียจ จะไม่มีชัยตอนสิงทำไงก็ท่าทํารูปแบบที่ท่านนาบีได้เล่าให้เราฟังเป็นความลับที่อัลลอฮ์เผยผ่านนาบีนะครับขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาที่อัลลอฮ์ให้เรามีโอกาสที่มานั่งอยู่ในบ้านของอัลละ์แล้วก็มาอ่านกุลตานนะครับซูรอ ม, มัรยัมอัลฮัมดุลิลละนะครับ แล้วก็พูดถึงเรื่องมโอสิญาตของอัลลอ์เนี่ยเรื่องนบีอิสาเนี่ยเป็นมโอสิญาตเลยนะเป็นความสามารถที่อัลลอ์แสดงให้มนุษย์เห็นนะครับนบีอิสาเนี่ยคุณมีคุณแม่ชื่ออะไรนะ ม, ยย ม, รมัดยัยมัดยามคุณแม่ชื่อมัรยามไม่มีพ่อ ไม่มีพ่อแต่มสามารถที่จะให้กำเนิดลูกได้นี่เป็นงัออิจตดเป็นความสามารถของอัลลอ์ต้องการจะแสดงให้คนในอุ ม, มา์นี้รู้นะครับขอบคุณอัลลอ์เี่เรามาถึงอายะที่ยี่สิบหกนะครับฟักูลีวะชรบีวะกรรรยยุรีไกนา ต้องการจะเล่าว่าเมื่อนางขยาวต้นเอินทภพาลัมนะอัลลอฮฺสั่งให้นางมัลัยมเนี่ยขยาวต้นอินทภพาลัมตอนตอนจะคลอดบุตรนะครับการขยาวการขยาวเนะี่ยอุลมามะเขา อ, อธิบายบอกว่าแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาฤากีนะครับเครื่องยังชีพ ต้องออกแรงขยาวนี่มาคือต้องออกต้องออกแรงเพื่อสอนคนในอุมามนี้อันกรุรานอายาเ น, นี้แหละวะฮุซีอิลัลกิบิจิดไอนัคละลายาที่ยี่บห้าเนี่ยนะครับตุสะกตอาลัยกิรอตบะจงขยาวต้อนอินและลาลัมให้มันนม มาทางตัวของนางจะทำให้ผลอินทภาลำมที่พึ่งสุกสุกใหม่ๆนี่นะ่ะหลนบนตัวของเธอเพื่อแก้ความหิวอาย่านี้นะมีหลายประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งก็คือการสแสวงหาริสกีนั่นต้องออกแรงนะครับเรื่องที่สองเมนูสำหรับ คนที่คลอดบุตรนั้นดี B. ที่สุดเดินตามกลุงอ า, อ า, านาญานี้ทานอะไรนะอินทปารมอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ก็มาได้อ่านอ่านพ่านๆแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาเท่าไหร่พอเปิดตัปซีตเข้าอัลลอฮฺอัลกบอัลลอ์สอนแม่ที่คลอดลูกใหม่ๆเนี่ยอัลลอ์ไม่มีอะไรดีเท่ากับน้ำ ใช่ไหมน้ําแล้วก็อินทผลัมอินทผลัมสดก็ย่างดีใหญ่หรือว่าอินทผลัมแห้งก็ได้ถ้าหากเราอยู่หาา่างซาอุดีมีเองมีเก็บอินทผลัมแห้งเอาไว้เพื่อประโยชน์เนี่ยกับหญิงที่คลอดลูกใหม่ๆตัวรูว่าในบ้านมุสลิมเนี่ยควมีหนึ่งมีเมนูมีมีอาหารอยู่สามชนิดนะหนึ่งอะไรนะอินทผลัม สองน้ำพึ่งสามนมแพะนี่พยายามให้มีไว้ในบ้านมุสลิมนะครับวันละเม็ดสองเม็ดสามเม็ดแต่นี่เวลาดื่มนมเนี่ยนบีก็สอนนะต้องอ่านดอาอีกบทหนึ่งนะไม่ใช่ระหับดื่มแล้วธรรมดาแล้วนะครับต้องอ่านดอาตัางหากอีกแล้วก็ต้องบ้วนปากด้วยนี่นบีสั่งเลยนะเป็นสุนนะของท่านนาบีต้องบ้วนปากนะ อาวันนี้มาถึงอายาที่ยี่สิกฟาคุลีวะชโรบีวะกอรีไหนาอาลัลลอฮ์สั่งนะจงกินกูลีแปลว่าจงกินสั่งชายสั่งนางมะรียมจงกินวะชโรบีจงดื่มทีนี้มรารยาทในการดื่มเราก็ต้องรู้ต้องเรียนอีก กินด้วยมือขวาดื่มน้ำด้วยมือขวาก่อนจะกินก่อนจะดื่มอ่านอะไรบิสมิลลานี่เป็นมารยาของอิสลามแล้วก็พ่อต้องสอนลูกแม่ต้องสอนลูกนะครับรวมไปถึงเอานมให้ลูกให้ลูกดื่มเนี่ยเด็กยังว่าบิสมิลลาไม่เป็นแต่ใครว่าแทนแม่ต้อว่าแทนอาบิสมิลลาลูกดื่มนมนะนะครับเอาต่อมาครับ ว่ากอรีอยนาและจงทําให้ดวงตาของเธอนั้นสดชื่นใช่ไหมได้ลูกได้ลูกพอดออกมาสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสมบูรณ์ร้อยเอร์เซนแล้วก็ได้ดื่มน้ำแล้วได้ทานอินทรพาลามแล้วสดชื่นยังหนี่งอ่ะกุนอ่านบอกว่าจงสดชื่นนะครับ จงกินและจงดื่มและจงทําให้ดวงตาของเธอของนางนั้นอ่ะสดชื่นเถิดต้อขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และก็ต่าลยอัลฮัมดุลิลละดื่มน้ําต้องขอบคุณอัลลอฮ์ทานอินทรพลาเสร็จขอบคุณอัลลอฮ์แล้วได้ลูกมาเนี่ยสมบูรณ์เป็นผู้ชายให้ขอบคุณอัลลอฮ์ให้สดชื่นให้สบายใจได้เลยอัลฮัมดุลิลละนี่สอนใครกับสอนนางมารยาม สอนแม่จะคลอดลูกใหม่แต่ว่ า, พ, าพวกเราวันนี้เนี่ยนะส่งพ ร, ระยาไปคลอดลูกที่ไหนที่โรงพยาบาลแต่นางวริยามอ่ะคลอดที่ไหนใต้ต้นอินทรฟารำมีหมอกี่คนไม่มีเลยอัลลอฮ์แล้วคลอดลูกไม่ใช่งานเบานะงานหนักอนะ่ะแล้วก็ตัดสรงสายสะดือและวใครไม่มีรายงานเอาละปลอดภัยมาถึงวันนี้ ขอบคุณอัลลอสุบไนะฮูตะฮานะครับฉะนั้นความหมายของสามคำเนี่ยฟักุลีวัชรอบีวากอรีอานาคือจงพักผ่อนให้สบายใจที่ได้บุตรที่ได้กินอินทพาลามที่ได้ดื่มน้ำมาถึงพักผ่อนให้สบายได้ลูกแล้วกินน้ำแล้วดื่มน้ำแล้วแล้วก็ทานอินทพาลามแล้ว ให้ขอบคุณอัลลอฮ์ทำพักผ่อนให้สบายใจอัลฮัมดุลิลละตัวลวงว่าแม่ที่ขอดลูกต้องพักผ่อนอนะช่วงนี้ก็จะมีอะไรนะมเีเลือดเลือ ด, เ ล, อดเลือดอะไรน ะ, น, ะนูฟาซะนิฟาสนิฟาส์เลือดหลังออกจากขอดบุตรเนี่ยต้องพักกี่พักพักพักผ่อนนี่นานเท่าไรพักฟื้นเท่าไร 40่สิบวันพักฟื้น40่สิบวันทำโดยละเอียดพักฟื้น40วัน آ آ พอครบ40วันแล้วก็นมามาได้นามาได้เลยนะต่อมาครับฟาอัมฟาอิมมาตารอยินนามินัลบาชรดีอาฮะดาแล้วท네่านางมารยัม อิมมาแปลว่าถ้าหากนางตารอยยิ้นน่ะเห็นมาจากตาลอตาอยตลอยินน่ะถ้าหากนางเนี่ยพบคนหรือเห็นคนอัมินัลบาชารีสามัญชนธรรมดาคนธรรมดานี่ยะบาชาร์แปลว่าคนถ้าหากนางเนี่ยเห็นคนพบคนให้ทำไงฟักูลี อินนีนะจัตุลิรรห์มานิซามะโดยให้นางนี่นะกล่าวคําว่ากล่าวด้วยเนี่ยไม่ได้พูดโดยวาจานะให้พูดเป็นภาษาใบอ่ากูลีบีมานะให้พูดเป็นภาษาใบไม่ให้พูดโดยวาจาไม่ให้ใช้เสียงแต่ให้ใช้ภาษาใบบอกใบบอกว่าไงอินนีนะจัตุลิรรห์มานิซามะ ฉันได้บนนะรัติบาวบนฉันได้บนนะัตตุลิล ร, ราห์าา ม, าออนนมานฉันได้บนการถือศีลอดเซ้ามันก่อนอินนีนะัตตุเซ้ามันฉันบุได้บนการถือศีลอดไว้ลิลราห์มานต่อพระผู้ทรงกรุณาปราณีตัวละว่อดบุตรเสร็จนี่ปัญหามันตามมาเต็มเลย ปัญหาพอรู้อัลลอฮ์รู้แล้วงานจะต้อ ง, งต้องตามด้วยปัญหาวิธีแก้ปัญหาก็คือเดินตามคำสั่งอัลลอฮ์นะครับพอที่หนึง่งพอดื่มน้ำแล้วทานอินทาลามแล้วแล้วก็เห็นลูกแล้วสมบูรณ์พักพรให้สบายเวลาพบคนพบคนใ้ทำไงให้บอกเป็นภาษาใบฉันนี้ได้สาบาน ฉันได้บนการถือสินอดไว้ต่อพระผู้ทรงกรุณาปราณีเรื่องอะไรบนเรื่องอะไรฟาลันอุกัลลิมเย้ามาอินซียเพราะฉะนั้นฉันจะไม่พูดลันอุกัลลิมแปลว่าฉันจะไม่พูดอันยาว์วันนี้อินซียนกับ ผู้ใดเลยกับมนุษย์คนใดเลยนะครับนะรักตัวูลิรารหมานิซา้ามาฉันได้บนว่าฉันจะถือสินอดต่อพระพผู้อภิบาลผู้ทรงกรุณาปราณีเพราะฉะนั้นฉันจะไม่พูดกับผู้คนเลยวันนี้นี่ไงเป็นเครื่องหมายอละลามัตแรกที่อัลลอฮฺลอ า, ล า, า, ลาได้บอกกับนางมายามเดี๋ยวปัญหาจะตามมาเต็มเลยขอดลูไม่มีอะไร มีพ่อรอกว่าเรื่องใหญ่มากเลยเนี่ยการจะมีลูกได้ต้องผ่านการแต่งงานหรือไม่ก็ต้องทาซินาใช่ไหมยอย่างอื่นไม่มีไม่ทําซินาก็มีสามีอันนี้ซินาก็ไม่ได้ทําแล้วก็แต่งงานก็ไม่ได้แต่งแล้วมีลูกได้ยังไงอัลลอฮฺอักบัร์นี่เป็นอาลามัตนี่เป็นมุอญจิซัดของอัลลอฮฺสุบฮานาห์หวาตาดะหนักเรื่องหนักเริ่มเกิดกับผู้หญิงด้วย เรื่องผู้หญิงเนี่ยนะอลัะอลลอฮฺจะลาโทษสวผู้หญิงเยอะมากนะท่านข่าผู้หญิงนี่นะเดินตามอาลัลลอฮฺสั่งหนึ่งเป็นคนที่น้ำสะอาดแล้วนางน้ำสะอาดนะนางบริยมมามเนี่ยน้ำสะอาดแล้วก็สองถือสีลอดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ครอบครัวของนางนี่เป็นครอบครัวที่ดีมากเลยพ่อของพ่อของนางบริยามก็เป็นคนดีแม่ก็เป็นคนดีที่านตระกูลนี่เป็นกูนอับลเบีหมดเลยนะ เป็นตระกูลที่มาจากเชื้อสายของบรรดาอิสราเอลทั้งหมดนะครับออมาอายาที่2ี่สิบเจด ف أ َ ت َ ج ْ ب ِ ه า قَوْمَهَ تَحْمِلُ ف َ أ َ ت َ ج ْ ب ِอัตัดแว่านางได้มาถ้าตามด้วยบิฮนี่หมายถึงได้อุ้มอ่า ท่าตา y a n dia bawa มาตัดตามด้วยบบตนางได้อุ้มตั i มินเนี่ยแปว่าอุมะอุมครครับอุ้มนบีอิสสะฟะอัตัดบีฮีเก้ามหาตัฮมิ ล, uh ลนางได้อุมิส a ะ, ะ ม, ะมาหาใครครับเกามมห า, uh า, ม า, มห า, า, าว ไปไหนน่ะก็กลับาพวกน่สิจะไปไหนไปไหนก็ตามประกับพรชกรรบ้านสามันอิ่มเอิบใจเจอพวกเจอญาติพี่น้องแล้วพอดลูกคนเดียวมันเหงาหน่อยบ้างอะไรเอาละอุ้มลูกมามาหาใครมาหาพวกอพอมาเจอพวกเท่านั้นแหละก็รู้ประชาชนคนเหล่านั้นที่เป็นพวกพวกรกันญาติกันนี้แหละ พูดว่างไงยามารียมโอมารยมเอ๋ยแลว้วก็เะจิติชัยอัฟารียาโดยแน่นอนยิ่งเธอเนี่ยน่ะได้นำมาซึ่งชัยอันเรื่องฟารียันแปลว่าแปลกแท้แทเรื่องประหลาดนำเอาของอะไรไม่เคยได้ยินไม่เคยทำมันมาก่อนดูสิ เป็นสาวเป็นแท่อุ้มลูกมาพ่อก็บอกไม่มีแต่งก็ไม่ได้แตง่งไม่เคยได้ยิ้งว่าแต่งงานที่ไหนอะ่ะซินาก็เอเพิ่มคนครอบครัวดีแล้วอุ้มลูกมาทําอะไรเนี่ยเอาแล้วชาวบ้านเริ่มพูดแล้วเห็น ไ, ไหมนี่อย่าลืมว่าชาวบ้านนีอิทธิพลเยอะนะชาวบ้านนีอิทธิพลเยอะมากเลยนึกถึงภรรยาของสอบ้านอับีนี่มีสอบ้า ท่านหนึ่งเล่าบอกว่าภรรยาฉันนี่นะตอนอยู่มักกะเนี่ยภรรยาน่ยอยู่ใต้าสามีสามีคุมหมดพอฉันอพยพมาถึงที่นครมาดีนะพาภรรยามาด้วยเนี่ยผู้หญิงที่นครมาดินาเนี่ยเขาเขาข่มสามีกันเขาค่มสามีกันนะ่ะเกือบทั้งหมดนั่นแหละแล้วผู้หญิงก็คุยกั น, ค, กนคุยกับขม่มมันนี่กับค่มคมคม ผู้หญิงที่อยู่เคยอยู่ใต้การดูแลของสามีหรือสามีคมอ่ะอยู่ที่มา ก, การนะสามีคมภรรยาแต่ที่มาดีนาภรรยาคมสามีผู้หญิงที่มาจะมา ก, ม ก, การก็ได้ในสยัยผู้หญิงชาวมาดินาเหมือนกันกระด้างกระเดืองอัลลอฮฺภรรยาเห็นไหมเน่พี่น้องไม่ใช่เพิ่งมีในะสมัยเรามีมาตั้งนานแล้วอาทีนี้ชอน้เราทําไงอะ่ะ ก็ต้องอบรมศาสนาต้องบอกศาสนาเทว่าที่ท่านนาบีที่อัลลอฮ์ด้ยประทานอัลกุรอานลงมาอายาหนึ่งที่บอกว่าอินตาตูบาอิลลอฮิฟะกัดซารกูลูบุกุมานบีสั่งให้คือนบีต้องการจะยาภรรยาเลยภรรยาที่ขมสามีนะฉันจะยาเลยแล้วอัลลอฮ์บอกว่าให้ตาบ้าตาบ้าซะสารภาพผิดซะ รักเนียเอ้ยภรรยาทั้งหลายเอ้ยยิ่งภรรยานับีนี่นะอบีต้องการจะยาเลยนะอลัลลอฮฺสั่งมูฮัมหมัดยอย่าพึงยาเล ย, เ, ยเพราะว่าภรรยาของนับีนั้นมีของดีสามรายการรายการที่หนึ่งนา ม, มาดไม่ขาดสองถือศีลอดอยู่เป็นประจำอันที่สามเพราะว่าอาลัลลอฮฺได้บันทึกชื่อของนางของภรรยาอบีทั้งหมดอยู่ในสวนสวรรค์ อัลลอฮฺยิ่งใหญ่ไหมอินตาตูบาแต่หากว่าภรรยานับีนี่นะตอบบาตุบาต่ออัลลอฮฺซะทำไมอะสกอตกูลูบูกูมาเพราะหัวใจของภรรยานับดเบี๋นอ่อนโยนอยู่แล้วที่อ่อนโยนเพราะอะไรเพราะนามาดอยู่เป็นประจําแล้วก็ถือสันอดอยู่เป็นประจําและเอาลอบบันทึกชื่อว่าอยู่ในสวนสวรรค์นี่มันดีทั้งหมดฉะนั้นทําอะไรผิด โอกาสทําผิดมีด้วยกันทุกคนนั่นแหละพวกเราเนึกอะมช่ะมาจะว่าแจวนะ์น่ะผิดบางทีเมียก่อนผิดบางทีเองเราเองก่อนทำผิดทีนี้ทําผิดจะทาําไงเต่าบ้าตัวซาอยงนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าดันทุรังอ้าวถ้าดันทุรังเป็นไงอัลลอฮฺอธิบายต่อไปเลยว่าอินเจาะฮารออาไลฮีในอิสลรนู้นอินนสลรอื่นนะ ว่าินตะรอฮ์อะลฮ์ว่าินนัลลอฮ์ฮว่ามาล่าฮุถ้าหากว่าผร้ยานี่ต่อต้านนบีหรือคนอื่นๆพวกเราเนี่ยต่อต้านนบีถ้าต่อต้านนบีนะใครเข้าข้างนบีอัลลอฮ์บอกเลยว่อินนัลลอฮ์ฮ์ว่ามาฮล่าฮุอัลลอฮ์เข้าข้างนบีอัลลอฮ์อยู่ข้างนบีและใครอีกอยู่ข้างนบีวะจิบรี อัลลอฮ์ท่านจิบรีนคนเดียวนี่ก็ใหญ่แล้วอยู่ข้างนาบีละใครอยู่ข้างนาบีอีกอัลมุเอมินูนอัลซัลัห์วซัลัห์ลมุเอมินินและบรดาผู้ศรัทธาที่เป็นคนดีเนี่ยอยู่ข้างนาบีละใครอีอกวันมาลาอิกาตุมาลาอิกาตุก็อยู่ข้างนาบีมีกี่องค์กรอยู่ข้างนาบีสี่องค์กรใช่ไหมีอัลลอฮ์ มีจิบรีนมีผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีมาลาอิกะเข้าข้างนบีฉันถ้าภรรยาไม่เอานบีปล่อยไว้เหมือนกันวันนี้ยใครที่ไม่เอาซุนนะนบีมาใชา้เท่ากับเราแอนตี้นบีใช่หรือไม่ใช่อัลลอฮ์ภรรยานบีไม่เอานบีแค่เรื่องเรื่องรักัๆไขๆเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ยมอมมาฉะนา้นใครที่เป็นผู้ที่ขวางซุนนะนบีวันนี้เนี่ยมีมีอีกอายาหนึ่งไง อินชาอิเากะฮุวรรอบตันแปลว่าอะไรแท้จริงศัตรูของท่านนบีเราไม่เอาสุนัขนบีแ ต, แต่แต่ว่าเอาตัวนบีแต่ไม่เอาสุนาัานบีผิดไหมผิดต้องเอาสุนาัานบีใครที่ขวางสุนาัานบีก็คือคนที่เป็นศัตรูกับสุนัขนบีเป็นยังไงอาบตันค่าทุน แต่ที่ขาทุนรู้รู้ตอนไหนอ่ะต้องตายก่อนถ้าไม่ตายไม่รู้พอตายปั๊บถึงจะรู้ว่าอัลลอ์ถ้าอย่างงี้ฉันเอาสุนาขนาดีตั้งแต่ก่อนตายก็จะดีไปบนอยู่ในกูโบนน่ะ น, ะนี่อัลลอฮ์าราสอนเราหมดฉันนั้นอัลลอฮ์นี่เมตตานะคนเอ า, าศาสนาไม่เอ า, าศาสนาบนดุญยา น, นี่อัลลอ์ให้เท่าๆกันแต่ว่าหัวใจของคนที่มีอหมานเนี่ยสงบอออเออก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่ง จากอีมานะมีลูกชายกษัตริย์องค์หนึ่งนะคนนี้ชื่อตูกลักไตมูดตุกลัไตมูดพ่อเนี่ยปกครองยึดประเทศมุสลิมแต่ว่าเกลียดมุสลิมยึดประเทศเขาแต่ว่าเกลียดคนในบ้านเมืองนั้นไม่อยากจะคบไม่อยากจะเห็นหน้า มีวันหนึ่งลูกชายกษัตริย์คนนี้ก็ออกไปทําอะไรนะไปล่าสัตว์พอออกไปล่าสัตว์ก็ไปเจอมุสลิมอัลมะมัค น, นึ่งชื่อท่านจะมาลุดีนเขาว่าไปจับตัวมาซินั่นน่ะมุสลิมไปจับตัวมาพอจับตัวมาก็มานั่งก็สนทนากันก็คุยกันเขาถามสั์อยู่ประโยคหนึ่งถามนะท่าน กับสุนัขของฉันเนี่ยใครดีกว่ากันอ้าวเราจะตอบยังไงท่านกับหมาฉันน่ะท่านกับสุนัขฉันเนี่ยใครดีกว่ากันท่านจะมาลุยดินก็อตอบบอกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้เขาบอกทําไมตอบไม่ได้เพราว่าฉันจะตอบได้ก็ต้องรอให้ฉันตายก่อนอธิบายสิ ถ้าหากว่าฉันตายในสภาพที่ฉันนี้อีมานฉันดีกว่าสุนัขของท่านแน่นอนแต่ถ้าหากว่าฉันตายในสภาพที่ฉันไม่มีอีมานสุนักของท่านน่ะดีกว่าฉันโอ้โหนี่ตอบดีไหมคาตอบอย่างเงี้ยไม่ใช่มาจากสมองตัวเองหรอกอิ่หามจากอัาาลลอฮฺ س ว ح ا ن ه وتعالى โอ้โหนี่ภาษาดีๆนะูเธอพวกเราต้องจําให้ดีเลยนะวิธีตอบปัญหาเวลาเขาถามปัญหาตอบยังไงตอบแล้วให้อิมานของเขาเพิ่มให้เราเพิ่มด้วยถ้าหากว่าฉันตายในสภาพที่ฉันมีอิมานฉันนี่นะดีกว่าสุนัขของท่านแต่ถ้าหากว่าฉันตายในสภาพที่ฉันไม่มีอิมานเนี่ยสุนัขของท่านนะ่ะดีกว่าฉันแน่นอน ลูกชายกษัตริย์คนนี้ประทับใจมากนะคำตอบเป็นคาที่ท่านงงอะ่ะที่งงเพราะไม่เคยได้ยินมีอยู่คำานึ่งคบว่าอีมานไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ดิสโกได้ยินแต่ดันซิงได้ยินแต่ดริงกิง้งใช่ไหมล่ะเต้นรำร้องเพลงใช่ไหมซิงกิง้งซิงแอนซองได้ยินทรศัพท์เหล่านี้หมดอะ่ะสวเพณีกินเหล้าเต้นราเล่นการพนันยิงกนนั้นฆ่าคนนี้น แต่คงว่าอีมาเนี่ยมันเคยได้ยินเข้าหูเลยนะทั้งชีวิตท่านลูกชายกษัตริย์ท่านนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวนะพอฉันขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แทนพ่อเมื่อไรท่านเข้ามาหาฉันเข้ามาหาฉันเลยแล้วต่อมาเนี่ยท่านจะมาลุดดีนเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่ลูกชายกษัตริย์จะขึ้นครองราชแต่ท่าน อุลมะตัวนี้เขาสั่งลูกชายว่าเธอถ้าพ่อตายแล้วก็แต่หากว่าลูกชายกษัตริย์ขึ้นเป็นกระสัดแล้วลูกเข้าไปรายงานนะบอกว่าพ่อตายดีพอขึ้นไปเป็นกระสัดภาพเข้าก็ไม่ให้เข้าในวันนั้นให้เข้าก็ทำไงอ่ะก็ไปยืนอยู่รอบๆวังนั่นแหละกลางคืนไปนอนนั่นเลยนะไปกลางมุ่งนอนตรงนั้นเลยไปอาจารย์สุโบงอ่ะอัลลอฮฺบอฺบอฺลลอฮฺอัลบัดดังเลย กษระสับตกใจเอ๊ะเสียงใครก็ทรงคนไปดูพระทรงคนไปดูเสร็จแล้วก็ไอ้คนที่มาราย ง, งานบอกว่าคนนี้มันบ้านาองอธิบายบ้ายัางไงนี่แหละมันตะโกนเสียงดังๆแล้วมันก็ยืนมันอ่านอะไรปาก ม, มื ม, มืก้ ม, มแล้วก็มันก็ลุกมลุกกลัวมันก้มแล้วก็มันก็กราบมันสุญูดแล้วมัเอาตําราอะไรมาอ่านไม่รู้ เพียนบ้ามารายงานก็สับไปตามมาไปตามมาพอเข้ามาในวันก็นั่งคุยกันลูกชายโอลมามะคนนี้บอกว่าจําได้ไหมท่านเคยถามพ่อของฉันว่าสุนัขของท่านกับฉันเนี่ยใครดีกว่ากันอเออจําได้จําได้มีอะไรหรือฉันต้องการมาบอกว่าพ่อของฉันตายดีกว่าสุนัขของท่านเพราะว่าเขาตายในสภาพเดียเขามีอิมานต่ออัลลอฮฺสุภาตาลา ก็อธิบายอีมานคืออะไรถ้าอธิบายต่ออิมานคือใครที่รู้ว่าตัวเองมีพระผู้สร้างรู้ว่าใครผสร้างเป็นคนสร้างเขามาเนี่ยคนนี้แหละเป็นคนที่มีอิมานถ้ารู้นะถ้าไม่รู้ก็ไม่มีอีมานถ้ารู้ว่าใครสร้างเขามาเขามีอิมานข้อที่สองโลกใบนี้มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ฟ้าแผ่นดินใครบริหาร ถ้ารู้คนนั้นเป็นคนที่มี إ ي م านข้อที่สามถ้าหากว่าตายแล้วฟื้นแล้วก็ได้รับการสอบสวนถ้ารู้แล้วก็เชื่อคนนั้นเป็นคนที่มี إ ي م านโอ้โหได้ดีใจอะ น, นั่งคุยกันสองสามวันผลสุดท้ายรักอิสลามเพราะภาษานี่แหละหมาก็คุณนะใครดีกว่ากันแล้วตอบดีจนกระทั่งผลสุดท้ายรักอลอิสลามบัลฮัมดุลิลลาเนี่ยทำยังไงว่าจะคุยกับคนนะ คุยแล้วให้อีหมานมันเพิ่มให้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเอามาดูกุรานนะครับกอลูยามาติยามูลกะจยิติชัย um, อัมฟาริยานางได้อุ้มไอซามาหาพวกทองของนางนะครับ แล้วก็ประชาชนพอเห็นนางมารยามอุ้มลูกมากก็พูดแบบโอ้มารยามเอ๋ยโดยแน่นอนยิ่งเธอได้นํามาซึ่งเรื่องแปลกแท้ๆอัลลอฮ์ต้องการจะเล่านะเรื่องราวของนางมารยามอัลลอฮ์เนี่ยส่งสั่งให้นางมารยามถือศีนอดอัลลอฮ์ส่งสั่งให้นางมารยามเนี่ยพูดกับผู้คนนะครับเป็นภาษาอะไรนะ เป็นภาษาใบนี่เป็นหลักฐานยืนยันว่านางมารยามนั้นน่ะน้อมรับคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรทําหมดเลยให้กินน้ําก็กินกินอินทผลัมก็กินใช่ไหมสั่งให้บวชไม่พูดกับคนก็ทําตามอัลลอฮ์จุลาสั่งสั่งทั้งหมดนางมารยามยอมรับข้อกําหนดของอัลลอฮ์หลังจากนางได้คลอดน บ, บีอีซาที่ต้นอินทผลามัมนางคลอดคนเดียว และเมื่ออลัลลอฮ์สั่งให้นางขยาต้นอินทรพาลัมเพื่อบรรเทาความทุกข์และเพื่อให้ผลอินทรพาลัมร่วงลงมาเพื่อให้นางได้กินอินทรพาลัมนี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าแม่ที่คลอดลูกใหม่ๆควรที่จะกินอินทรพาลัมนี่เป็นเมนูอาหารสำหรับบุตรคนคลอดบุตรใหม่ๆคำอธิบายต่อไปอีกนะครับเมื่อนางมารยามได้อุ้ม อิซามาหาพี่น้องของเขาเมื่อพี่น้องของเขาเห็นนางมารยามอุ้มลูก ม, มาพวกเขาไม่ยอมมอบลอยเรื่องใหญ่นะและมองเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วก็พูดว่าไงนะแล้วก็เะยิติชัยอัมฟารียพวกเขากล่าวว่าโอ้มารยามเอ๋ยโดยแน่นอนยิ่งเธอได้นํามาซึ่งเรื่องแปลกแท้ ฟารียาเนี่ยแปลว่าอัมรอนอัลรีมันในตับซิดนะอัมรอนอัลรีมันแปลว่าฟารียะแปลว่าเรื่องใหญ่เรื่องแปลกแทฉในภาษาอุดดูก็เหมือนกันอุ้มลูกชายมาหาพวกเขาในเมืองในภาษาอุดดูอธิบายบอกว่าชาฮ์แมตอาตีแหงนบีนางมารยาเนี่ยอุ้มอุ้มลูกเข้ามาในเมืองแสดงว่า ครอบครัวนางมารยาทอยู่ในเมืองไปขอดลูกที่ชนบทชื่ออะไรนะเบทเบสอะไรเบสลหัมบ้านเนื้อเบสลหัมบตุนใบตุลหมนินนั่นแหละบ้าน บ, บ, บ, บ้านบ้านเธอได้ทำเรื่องราวที่น่าโกรธเคืองทำไมประชาชนจึงพูดแบบนี้ ค ำ, คำอธิบายก็คือเพราะนางยังไม่ได้แต่งงานเลยแล้วมีลูกได้อย่างไรนี่คือคาอธิบายอาลัลลอฮ์ต้องการจะทําให้มนุษย์เห็นนะที่อธิบายไปแล้วคืออลัลลอฮ์มีความสามารถที่จะให้ใครมีลูกก็ได้ที่ไม่มีที่ไม่ผ่านสามีก็สามารถที่จะมีลูกได้นี่เป็นมุเอญีศาสของอัลลอฮ์สุฮาหนะฮูวาตาล้า ว, ลวเอาต่อมาครับอายาที่28ยาอุ خ. ตาฮารูนอุ๊กแปลว่าอะไรนะน้องหรือพี่ก็ได้พี่สาวหรือน้นองสาวยาอุกตาฮารูนโอ้น้องหญิงของฮารูนเลยมาการาอาบูกิมรออาซาวพ่อของเธออาบุกแปลว่าพ่อของนาง พ่อของนางนั้นอิมรออาซา์มาอิมรออา์อินก็ไม่ได้เป็นชายชั่วพ่อของนางเนี่ยไม่ใช่เป็นคนชายชั่ววามกาณ์อุมมเกบาเรียและแม่ของเธอก็ไม่ได้เป็นหญิงสามสนนี่เห็นไหมเวลา เหมือนกับพวกเราวันนี้นะเวลาจะด่าใครเนี่ยมันก็ด่าไปถึงพ่อเรานั่นแหละพ่อเองน่ะดีจะตายไปแม่เองน่ะดีจะเองน่ะเลวชั่วสุดๆเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมพวกเราวันนี้แต่พูดแบบนี้เนลยดูแต่หาว่าแต่หาว่าลูกดีอยู่แล้วนะไม่ว่าเงียบถ้าลูกวันนี้นะ่ะมันดีเนี่ยนะชาวบ้านไม่คุยเราเงียบ ถ้าทำผิดว่าไรนะไอชมอก็อยากอยากยากจะชวมกันชมยอม่ยอมานาันย่อมันนบีมามานาันนดีแต่มึงนั่นแล้วโอ้โหที่พูดอย่างนี้นะคนจะเอากุณอ่านนี่ไปใช้นะขอบคุณนะล้อนะยังนึกถึงกุณอ่านด้วยไม่ได้นึกไม่ได้นึกแรก้วฉะนั้นการจะตําหนิใครเนี่ยนะก็ต้องตําหนิผมว่าอย่าไปตําหนิใครเลยดีกว่านะอย่าไปตําหนิใครเลยนะ ไม่มีสิทธิ์ไปตำหนิใครเลยเพราะเราไม่รู้เย่างนว่าแหละฉะนั้นพวกเรานี่มันแปลกอย่อยางนลยของดีของเพื่อนบ้านดีๆเนี่ยไม่เคยนําเอาไปเล่าที่ปากซอยสังเกต น, นะอาบางเคยบางเอินลูกเขาดีภรรยาเ้าดีเนี่ยไม่มีใครนะเพื่อนบ้านเนี่ยนําเอาไปเล่าว่าโอ้บ้านนี้ดีเนี่ยไม่มีถ้าทําผิดอะไรเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวในปากซอยรู้แล้ว คนในซ้อนจะรู้มหมดเลยเร็วโอโลละกระจายหุ่มไปมหมดเลยเนี่ยนี่คือประชาชนจะนั้นประชาชนทั่วๆไปถึงอัลอได้พูดนันคกคิธีกุ้อ่านว่าถ้าหากว่าอะลอุลลูกูรอชาวบ้านเนี่ยแต่ละบ้านละบ้านเนี่ยมีอีมานและมีตักวาอลโลจะประทานบรักัดให้กับแผ่นดินนี้หมู่บ้านนี้ดีกว่าดีกว่าเก่าแต่ตรงกันข้ามนะครับ น้อยบ้านเหลือเกินที่จะนําเอาของดีๆของเพื่อนบ้านเนี่ยไปคุยมีแต่นําเอาของของเลวๆเดี๋ยวไปคุยอย่างเงี้ยใช่ไหมมายาอุกตาฮาลูนมากานาบูจิมรอซอว่ามากานัดอุมโมกีบารียาคำอธิบายอะยาอุกตาราลูนคำอหารูนเนี่ยมาจากไหน ฮารูนเนี่ยมันมาได้ยังไงต้องการจะอธิบายอย่างนี้คำว่าฮารูนเนี่ยเป็นเชื้อสายของนางมาริยมเป็นพวกบารีอิสรออีนแล้วฮารูนเนี่ยนะเป็นนบีของอัลลอ์เป็นญาติของนบีมูซาหา่ า, า, หางกันนะมูซากับอิสซาเนี่ยมันห่างกันนะ อัลลฮ์เล่าในพีจารอ่านว่าฮารูนเพื่อให้พวกเราที่อ่านพรอ่านนึกอัลลอฮ์นบีทั้งหมดที่มาในโลกนี้เขาเป็นพี่น้องกันสายายเดียวกันหมดเลยเป็นตระกูลเดียวกันพอจะนั่งเวลอาอ่านนางมารยมต้องนึกถึงฮารูนฮารูนเป็นใครเป็นญาติของนบีมูซาอะเลฮสลามห่างกันเป็นร้อยๆอยปียิ่งนบีไอซาห่างกันนบีกี่ปี ห้ารอยปีถังว่าเป็นญาติก่อนบีอิสามาฮ์ญาติแต่ว่าไปเกิดที่ไหนที่นครมักกะเอาเป็นญาติกันยังไงก่อนบีอิบรอฮีมมีลูกสองคนใช่ไม่ใช่อีกคนหนึ่งชื่ออิสฮากอีกคนหนึ่งชื่ออิสมาอินอัลลอฮ์าสั่งให้นบีอิบรอฮีมเอาลูกชื่ออิสมาอินกับนางคาญาต์ไปไว้ที่มักกะปัจจุบัน ส่วนอิสฮากนะั้นเป็นต้นจากรูลของบันีอิสร อ, อีนตั้งตัก็เป็นพี่น้องกันนี่ไหมนี่อสอนให้เราสืบญาติอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนกันติดต่อกันตัวลงกับของคนคงเคตเนี่ยนะญาติมาจากไหนหรู้เปล่าปัตตนี <c oughs> <c oughs> หมู่บ้านอะไรหมู่บ้านซนอเออะไผมลืมเล่าเนี่ยเขามอบอะไรให้ผมนะเขาเรียกว่าอารินรอม บ, บานี ไปรับที่มหาวิทยาลัยฟัตานีโดยอาจารย์วันนองหมอดมุฮัมมัดมาธานอมาธาเป็นคนมอบให้คนที่เชิญก็อาจารย์มุฮัมมัดอิสมาอิลุตฟี่เชิญมาผมบอกผมไม่เหมาะเขาบอกเหมาะรับไม่อยากก็ว่าบอกต้องไปรับก็ส่งตรงตั๋วมาให้ผมไปรับพอไปเห็นหน้ากลางคืนด้วยสันตุบว่าเราเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องยังไง อาารมุสตาฟาทีมาจากหมู่บ้านสานอฉันก็หมู่บ้านสานอเหมือนกัน <c oughs> ก็เป็นพี่น้องกันงีม่มันต้องสืบกันอย่างนี้ท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ในโซลเราเนี่ยเราไม่รู้มาจากไหนใช่ไหมพยายามสืบมอลลาอบุลฮัสซันอินเดียเน่ะสืบแล้วเป็นญาติของนบีด้วยใช่ไหมเขาพยายามสืบกันแล้วก็ทําตัวให้ดีเหมือนกับนบีอย่างนอกก้อยก็สักครึ่งนบีก็่าอย่างดีใช่ไหะนั้นสืบ สืบสายตะคูลเนี่ยสำคัญมากนะทำอย่า ล, ลืมนะกับตัลงว่านี่อัลลอฮ์สอนเรานะยาอุตฮารูนโอ้น้องหญิงของฮารูนเถยมากาอาบูกิมราซาวพ่อของเธอกไ็ไม่ได้เป็นชายชั่วว่ามาการอุมูกิบารีและแม่ของเธอก็ไม่ได้เป็นหญิงสามสนอ้างนาบีฮารูนทำไม อ้างเพราะฮารูนเป็นญาติของนบีมูซาแล้วก็เชื้อสายของนางมาริยัมทอนนบีอีสซาเหมือนกันหรืออาจจะหมายถึงหรืออาจจะหมายถึงอีกอย่างหนึง่งคือฮารูนเนี่ยเป็นคนดีอย่างนี้หนึ่งมีตักวาหนึ่งมีตักวาสองเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์สทํทำอิบาด้เยอะ ฉะนั้นนางมารยมเนี่ยนะก็เป็นคนที่มีความดีหนึ่งมีตักวาสองสะอาดบริสุทธิ์สามทำอิบัดะสม่ำเสมอก็เลยเลยโยงว่านางมารยมกับฮารูนันเป็นใครนะเป็นพี่น้องกันในสายเลือดเดียวกันในแง่ของคุณธรรมและความดีพี่น้องเข้าใจน ะ, <c oughs> ะต่อมาครับ <c oughs> คำอธิบายตั้งต่อไปนะในตับซีตอิฟนูกนะซีตอธิบายบอกว่านางต้องการจะออกมาหาพวกคุณนางอยากเองที่จากไปเนะ่ะไปคลอดลูกเนี่ยไปพักฟื้นเนี่ยอยากจะกลับบ้านเนี่ยอยากเองนะมึงก็รรนโดนใจอ่ะนะกลับบ้านานะางอยากจะมาพบญาติพี่น้องนะครับนางพยายามออกมาจาก จากครอบครัวที่ที่ประเสริฐที่มีเกียรตินะครับไม่มีใครรู้เลย ว, ว่าครอบครัวของนางนั่นครอบครัวไม่ดนะีไม่ใคย ร, รู้รู้แต่ครอบครัวดีอย่างเดียวรู้ในทางดีอย่างเดียวไม่มีใครพูดในทางลบเลยนะที่พอนางมาที่ห้อุ้มลูกมาเนี่ยมองเป็นภาพลบหมดเลยของดีๆที่ตามไว้เนี่ยชาวบ้านลืมเลยเหมือนกับอัลลอฮ์ต้อตงการจะทดสอบนางเหมือนกันแค่นั้นการทดสอบของอลัลลอฮ์นี่นะ มาอัลอททดสอบทุกคนถูกถูกเสียสีมีไหมมีนี่ภรรยาตายทดสอบไหมทดสอบทดสอบลูกอีกแม่ตายทดสอบลูกอีกเอาลอททดสอบมนุษย์ทุกวันวิธีการทดสอบของอัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์ชอบนะแต่พวกเราชอบไหมเรื่องทดสอบเนี่ยอัลลอฮ์ชอบแต่พวกเราไม่ชอบ ผมอ่านทัศน์ทีแล้วผมก็นั่งนึกอยู่อัลลอฮ์ชอบให้เป็นนั่นชอบให้เป็นนี่ชอบให้ได้อย่างงั้นได้อย่างนี้แต่เราไม่ชอบเปลี่ยนแปลงจริงไหมไม่จริงพวกเ้าก็ชอบอย่างนี้แหละแต่อัลลอฮ์เนี่ยชอบทดสอบมนุษย์ให้ดีกว่าเก่าให้อีมานเพิ่มกว่าเก่าเป้าหมายที่อัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์เนี่ยนะให้มีแม่สบายให้ลูกไปสบายให้แพะตายให้แมวตาย ให้ได้ได้นานได้นี้เพื่อให้อิมานเราเพิ่มแต่พวกเราไม่ชอบอ้าวนบีเคยสอนอย่างนี้ใครที่อัลลอฮ์เนะ่ยทําให้คนหนึ่งป่วยแต่ถ้าหากว่าคนคนนี้นี่นะไม่รู้ว่าอาลัลลอฮ์ให้ฉันป่วยทําไมไม่ได้รับบทเรียนจากการเจ็บไข้ได้ป่วยใค่ให้ป่วยมาอาทิตย์หนึ่งนอนอยู่ที่บ้านเป็นเก้ายกตัวอย่างนะ ไปพ่าตัดที่โรงพยายบาลโรงพยายบาลมันก็ต้องไปรักษาบ้างอะไรบ้างเจ็ดวันอัลลอฮ์ทดสอบแต่ไอ้คนป่วยเนี่ยไม่ได้รับบทเรียนจากการเจ็บไข้ใดป่วยรู้ไหมนบีเปรียบเทียบกัาคนคนนั้นเหมือนอะไรลองทายสิเหมือนอะไรนบีว่าไม่ต่างอะไรกับแพ้ไม่ต่างอะไรกับแพ้อา้าเอาแพ้มาผู ก, กเอาแพะมาลามไว้ ถาว่าแพรู้เป่าท่านล่ามือจมาแพะไม่รู้ท่านคนที่เอาลอตทดสอบให้มีของดีให้มีปัญหาแต่ตัวเองไม่ได้รับบทเรียนจากการทดสอบจากเอาลอ็อเราเองไม่ต่างอะไรกับแพะที่เราเลี้ยงคือพอๆกันนั่นแหละเราได้เป็นเจ้าของแพะแพะถูกล่ามไอ้ล่าเนี่ยเรารู้ว่าเอาแพะมาล่ามนะไม่ให้แพะไปเดือดร้อนชาวบ้านใช่หรือไม่ใช่ ไปกินยาบานรรณนเพื่มบรดาว่าเราอยู่อยู่ในเมืองเลี้ยงแพะหมดเสร็จแล้วอย่างดีก็เลี้ยงแมวอังก็เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ก็เพิ่มกระดาอีกเลี้ยงแพะเพิ่มกระดาษพเหม็นใช่ไหมทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอลัลลอฮฺต้องการจะให้เรามีการเปลี่ยนแปลงได้รับบทเรียนจากการปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้บทเรียนอะไรเลยเราไม่ต่างอะไรกับอะไรนะแพะอย่างนี้ก็แล้กันเป็นความรู้ง่ายๆในศสนาพิธีนองทั้งหลายนะครับเอาต่อมาครับ มีคําอธิบายอีกนะเขาบอกว่านางมารยยมเนี่ยขอดอยู่ที่ไรนะใบตุลละห์มใต้ต้นอินทรพาลามเนี่ยว่ามันเป็นนี่วัวที่เขาไล่วัวไ ล, วไล่อูดตอนกลางคืนเนี่ยนะผ่านเนี่ยนะผ่านหมู่บ้านเนี่ยใบตุลละหมเนี่ยที่โคต้นอินทรพาลามเนี่ยชาวชาวบ้านเนี่ยที่เป็นเจ้าของวัวบ้าง แค่บ้างเนี่ยว่าสัตว์ของเขาเนี่ยมันจ้องไปมองไปที่เนี่ยไอ้ไอ้เนีไน่ไอ้ไไที่ที่นางมารยามคลอดเนี่ยเหมือนกับเป็นที่ที่ที่ประเสริฐวัวเนี่ยถึงกับสุยูดลงไป่หลายตัวสุยูดหันหน้าไปทำนี้เขาก็สงสัยว่าเออต่อมามารู้ที่หลามอ่นางมารยำ ม, มาคลอดตรงนี้ชื่อได้ลูกชายชื่ออซาทีบไบตุเลเล่ห์ ควพึ่นึกได้เออใช่ใช่ ใ, ช ใ, ช ใ, ชใชเหมือนน บ, บีขึ้นเมารอชเนะน่ยนบีเดินข่านไปที่เยรูซาเลม็มใช่ไหมน บ, บีเห็นหมดเลยใครเดินกองคาราวานเดินกันกี่คนกี่คนกี่คนใครเดินหน้าเดินหลังน บ, บีเห็นหมดพอกลับมาน บ, บีเล่าว่าฉันขึ้นเมารอชคนตกมุดตัดไปตั้งเยอะเขาว่านบัตขึ้นจริงหรือเปล่าบอกจริงฉันเห็นคุณนะ่ะเดินอยู่วันนั้นจูงอู อูดคนวิ่งหนีไปตัวหนึ่งนม บ, บีเห็นหมดเลยอะตกใจโอ้ใช่ใช่ใช่แล้มทเดียวเลยแหลมันมีสัญญาณอะไอีกหลายหลายอยา่างซึ่งเราไม่รู้แต่อุลุมะคนนี้เขาก็บันทึกให้มาว่าแพะแกวัวควายของเขาหนะ้หันหน้าเหมือนกับสุดยญ์จ้องไปที่หมู่บ้านนี้มันมีบรรากาศลงมาถึงชั้นฟ้ายอย่างนี้นะนะเอาต่อมาครับอายาที่2ี่ ฟาชารัดบิไล้กลกาวว่ไงฟานุคัลลิมมังกาน่ฟิลบาฟิลมหดีซบิยา <S <S ดูการอธิบายนิดหนึ่งฮารูนเนี่ยที่เป็นญาติของนางมารยมเนี่ยตัต้งทัซีดอธิบายว่าวันที่น บ, บีฮารูนเสียชีวิตเนี่ยมีคนมานมาตสี0มืนคน สี่หมื่นใเยอะนะ น, นมาสี่หมื่นคนเนี่ยเ้าเนะี่ยขอสักห้าร้อยก็เยอะแล้วเราเนี่สักร้อยสองร้อยก็ทำได้แล้วแล้วถ้าจะให้มากหน่อยก็มัมาดิาสานุเนี่ย น, น้อยเด็กสี่รอยแต่มีอุลมาอีกสามสี่สิบคนทำไห้แล้วใครเลือกมาฝังตรงนี้ก็ได้นะแต่ต้องคิดกูโ บ, โบแพงฟรีฟรีฟร เอาตกลงว่าทาบีฮาลูเนี่ยเสียชีวิตนะมีคนมาละหมาเท่าไหร่นะสี่หมื่นคนแต่มารณะอบบุลฮาซันมีคนละหมาเท่าไหร่แสนหนึ่งในอินเดียเนี่ยท่านรู้จักใช่ไหมมารณะอับบุลฮาซันน่ะอาจารย์ผมเสียชีวิตมีคนลาหมาเป็นแสนในอินเดียทำดุดิ ล, ละคนคนรู้จักเยอะจ้ะฟาอาชารถอีัยดังนั้นนางมาติยัม จึงชี้ไปทางอีซาเพราะถามว่าถาวมว่ามารยาทเธอําเอาของไม่ดีมาทําไมเนี่ยได้ลูกมาก็ลูกไม่มีพ่อแล้วก็พ่อเองก็ดีแม่เองก็ดีนางมารยามไม่ตอบฟาอาชารสอีลอัยนางได้ชี้ไปที่ลูกชายชื่ออีซาก็ลูพวกเขากล่าวว่าชาวบ้านกล่าวว่า ไกฟานุกัลลิมมังกาณฟิลมาดีซาบิอาไอที่กล่าวนะกล่าวหัวเราะยะอะกคําว่ากอรูเนี่ยมันจะกล่าวธรรมดานะกล่าวแบบดูถูกเหยียดหยามหัวเราะเยอะถามว่าไงไกฟานุกัลลิมเราจะพูดกับมังกาณฟิลบามาดีกับเด็กๆที่อยู่ในเปลได้อย่างไรจะให้ฉันนี่นะ คุยกับเด็กที่อยู่ในเปลได้ยังไงเนี่เป็นมัว่วจิดจัอีกแล้วใช่ไหมมัว่วจีดจตดท้องโดยไม่มีพ่อกับมัอวจีดจตดนะครับแล้วก็กินอินทรพลมแล้วก็น้ําที่อยู่ใต้นั้นเกิดขึ้นมาโดยฉับพลันนั่งเป็นมั่อจีดจตดอีกแล้วแล้วก็มาเจออีกเด็กพูดในเปลได้อย่างไรนี่ก็เป็นมัว่วจีดจตดเอาต่อมา นบีอีสาเนี่ยได้ตอบกับประชาชนในวันนั้นเนี่ยสอนแปดรายการแปดรายการเลยครับอ่ารายการที่หนึ่งนบีอีสาตอบขณะที่นอนอยู่ในเปรนะอลัลลอฮฺอักบุบะดนี่เป็นมโหสอันยิ่งใหญ่เลยนะข้อที่หนึ่งนบีอีสาตอบว่าไงกอเลอินีอาบดุลออายาที่สามสิบ อาตานียลกิตาบวาอาลนีนบียาเขานบีอิสาชี้แจงว่าอินนีอับดุลลอหแท้จริงฉันเป็นเบ้าของอัลลอฮ์คำคำนี้เป็นการทำลายความเชื่อของนบีของพวกคริสเตียน นบีอีสาพูดเองอาณาอับดุลลออิ น, นีนอับดุลลอฉชนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ใช่ลูกอ่าไม่ใช่พระบุตรนี่เป็นการทำลายความเชื่อของพวกชาวคริสเตียนชาวยิวตำหนินบีอีสาว่าแม่นสามสนในคำพีของเขามีพูดนบีว่า น, นางมารยามเนี่ยสามซนอันนี้ปฏิเสธชัดเลยไม่ใช่ ฉันเป็นอะไรอินนี้อับดุลลอห์ฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นลูก AH. อกัลลอฮ์ต้นกับกุณอ่านคุณอัลลอฮ์วะฮัดอัลลอฮุสละมัดลำยาลิกวะลมยูลัดวะลำยาคุลลูกุฟูบันอฮัดข้อที่สองอาตาเนยัลกิตะพระองค์ได้ทรงประทานคำพีรอัลกิตับเนี่ยไม่ใช่กุณอานนะมาถึงอิน ج ي ล Allah ได้ประทานอินจีนให้กับนบีอิซาข้อที่สามว่าจะเลานินบีและ Allah ทรงแต่งตั้งฉันให้เป็นนบีอาย่านี้สมเรื่องเรื่องที่หนึ่งฉันเป็นบ่าว Allah ไม่ใช่บุตรของ Allah อย่างที่พี่น้องชาวคริสเตียนเชื่อข้อที่สองฉันได้รับ Allah ให้ฉันคือคัมำพิอินจีล อันที่สามแต่งตั้งฉันให้เป็นนบีข้อที่สีอายาที่สามสิบเอ็ดว่าจะอานีมูบารอกกันว่าจะอานีมูบารอกันไอนามากุนตุข้อที่สีพระองค์ทรงทาให้ฉันเป็นผู้เจริญมุบารอกเนี่ยเป็นผู้เจริญอธิบายยังไงไอโมอัลลิมัน เป็นคนสอนอ่ามูบารอกเนี่ยเขามีความหมายอธิบายว่าเป็นคนสอนของดีๆให้กับประชาชนอ่านี่นะต้องอาศัยตับซิดหมดเลยนะถ้ามูบารอกเนี่ยแปลว่าผู้ที่จำเริญผู้ที่จเจริญผู้ที่จเจริญอธิบายยังไงตับซิดอธิบายว่าต้องเป็นคนที่สอนคนนําแต่ของดีๆมาสอนคน นั่นน บ, บีอิสานั่นอลัลลอ์ส่งมามาสอนนะเรียกว่าอะไรนะมูบารอกไอ้นามากุนตุไม่ว่าฉันจะอยู่ตรงไหนก็ตามต้องการจะอธิบายว า, าศาสนาเนี่ยสอนได้ทุกที่ใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นอยู่ตรงไหนต้องสอนศาสนาต้องนึกฉันต้องพาอิสลามเนี่ยไปสอนในทุกๆแห่งที่ฉันไปฉะนั้นจะไปคาขาก็ไปจะใจนึกใช้ปะตําบรก ตั้งตึกแล้วฉันจะระตามีกเจอคนสักคนหนึ่งสอนสาศาสนาเขารับอิสลามเพราะฉันคนหนึ่งอัลฮัมดุลิลละฉันพอใจแล้วนะครับอต่อมาข้อที่ข้อที่ห้าว่าอาสอนนบิสอลาพระองค์ได้ทรงสั่งให้ทำอะไรให้ทำนามาอ้าวแสดงว่านามาในมีมาตุสมยัยใคร สมัยนบีคนก่อนๆแล้วแต่วิธีนมาศอาจจะไม่เหมือนกันของเราเนี่ยมีอยู่สามท่าใช่มท่ายืนท่ารุกขวะท่าสุญูดที่ลูกน้องกษัตรย์ว่านีนะ่คนนี้บ้าี่ยสามท่าก็เรียกว่าบ้าใช่ไหมรับอิสลามเลยเพื่อหมานั่ยละว่อววอาอวซอนีบิสซอลาพระองค์ทรงทาให้ฉัน สอนเรื่องนามาดยังไม่พออีกวัฏอากาศและธรรมะอีกให้จ่ายอากาศตกลงว่าเรื่องอากาศกับเรื่องนามาดเนี่ยมันมีมานานแล้วนะแล้วก็คู่กันด้วยนะนามาดกับอากาศถ้าไม่มีนามาดอย่างเดียวไม่จ่ายอากาศก็ลองดูสิแล้เจองูฟัดอยู่ในกุโบ ฉะนั้นมันต้องคู่กันนะนมาฎจการของคู่กันนะนมาฎจการทํากี่วันน่ะมาดุมตูุไฮตาบที่ฉันมีชีวิตอยู่ตกลงว่าต้องนมาฎจนกระทาั่งตายก็ดอมีไหมไม่มี <c oughs> ตกลงว่านมาฎกีวันจนกว่าจะตายไม่ยุสองงาน งานนำมาทำงานจ่ายงานทําบุญเนี่ยทํากี่วันมาดุมตัวให้ตาบที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ให้ไหมอานันลลอฮุมันผูกพันกับทั้งชีวิตของเรานะเนี่ยมันผูกพันหมดเลยนะอ่านตรงนี้ได้ความรู้นำมาจนกว่าจะตายฉะนั้นใครที่มีลูกต้องอบรมลูกให้นมาจนกว่าจะตายใครมีภรรยาบอกภรรยาเธอต้องนมาจนกว่าจะตายอยู่โรงพยาบาล น, นมาได้ไหม เอานามาดยังไงว่านามาดแบบนอนนอนนั่นแหละตะยา ม, มุมลูกไม่มาเยี่ยมพ่อเลยลูกตัวอย่างแม่ป่วยไม่มีใครมาเลยนามาดทั้งเปื่อนๆนั่นแหละอย่าทิ้งนามาดพี่น้องนามาดทั้งเปื่อนๆนั่นแหละลูกไม่มานะ่ะไม่มาก็นางพยาบาลก็ไม่เปลี่ยนผ้าให้เพราะบาดสามสิบเอ้า นมาศเพือเ่อนๆนั่นแหละอัลลอฮฺเขาพร้อมใจกับวันน ม, น, ะะนมาศเพื่อนๆนั่นแหละยืนไม่ได้นอนนะอันนี้เป็นต้นเอา้าต่อมาครับตนวเล็กว่านาบีอีสาโเอลอะไรนะให้ฉันจ่ายสกาดแล้วก็ให้ฉันนมาศนะครับบริจาคทานตราบที่ฉันยังมีชีวิตอยู่เอาต่อมาข้อที่เจ็ดอายาที่สามสิบสอง ว่าบารมีวาลิดาตีและอัลลอ์เนี่ยให้ฉันทำดีสนองนะครับเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีกับใครบิวาลิดาตีกับใค ร, ก, ใครกับแม่ของฉันทำไมพ่อไม่มีละ่ะก็พ่อไม่มีถือว่าถึงได้ว่าวาลิดาตีแม่ของฉันคนเดียว นี่เป็นหลักฐานยืนยันว่านบีอิสาไม่มีพ่อจริงๆอายะก่อนเนี่ยคือ น, นบียายยาใช่ไหมพูดว่าไงว่าบารอมบิวาลิได้อายะที่สิบสี่เราเนี่ยแค่ยิสิบสี่นะว่าบารอมบิวาลิได้ น, นบียายยาเนี่ ย, ย, ยว่าอัลลอ์าสั่งฉันให้ฉันทำดีกับพ่อและแม่ของฉันส่วนนาง น บ, บีอิสลาเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ฉันทำดีกับบิวาลิดาตีแม่คนเดียวพ่อไม่มีทำไมอัลลอฮ์จึงเน้นว่าบัรอมบิวาลิดาตีเนี่ยเพราะในายคำพ์อินจีนพูดบอกว่าน บ, บีอิสาเนี่ยน บ, บยีอิสาเนี่ยนะเป็นลูกที่ไม่ไม่ค่อยทำดีกับแม่นายคำพีอินจีนพูดอย่างนี้เลยนะ เอาล้อตัดเลยไม่ใช่ <laughs> คนเป็นนบี <laughs> อ่ะทายศกับแม่ได้อ่ะอาล่ะอย่างนั้นใครที่ทําไม่ดีกับแม่เลิกซะเอาวันนี้แม่มาอยู่พ่อเหมือนกันรอวลาว่านี่ทําดีกับพ่อแม่ทํากี่ข้อรู้เปล่าห้าข้อทําดีกับพ่อมีมีแค่นี้แหละห้าข้อไม่มีหกหนึ่งอย่าพูดคำว่าหุ ทำไมอลัลลอฮ์เล่าว่าอัลลอฮ์ต้องการห้าข้อเพราะในใจของพ้อแม่ทุกคนต้องการให้ลูกทำห้าข้อนี้เพราะอลัลลอฮ์รู้นิสัยเพราะฉันสร้างมากับมือไมืไอเลยงไงแค่นั้นพ่อไม่ต้องการให้ลูกพูดคำว่าเฮ้ข้อที่สองพ่อแม่ไม่ชอบที่มาตวาดตวาดนะฉันไม่ชอบยิงแก่แกอายุเจ็ดสิบลูกตวาดเพลิดเนี่ยอลัลลอฮ์ใจหอแล้ยเรื่องที่สาม ให้ไรนะให้พูดเ พ, พราะเพราะโบไลท์พูดนิ่มๆยอามา่อจ๋าแม่จ๋าเออหรอแปว่าชื่นใจน้อยไปไลยแต่พวกเราก็แปลกไอ้คาว่าจ๋าจ๋าประชาชนกับผู้หญิงนู้นน่ะประชาชนกับผู้ชายนู้นน่ะร้องว่าแปว่าทําไมไม่พูดก็ย่อก่อนมากก่อนยอาา่อจ๋าแม่จ๋าเออลรอวาแปลว่าตาก็หอมแก้มซ้ายแก้มขวาพ่อต้องการนะแม่ต้องการนะข้อที่สให้ทอมต้น บางคนมีตำแหน่งเยอะใช่ไหมนั่นคือปีกทั้งหมดนั่นแหละจะนั้นตอนหน้าพ่อแม่เนี่ยคุณจะมีกี่ปีกก็ตามปีกสอสอ ส, อสอโวสอขออะไรก็ตามแต่ตอนหน้าพ่อแม่ลดปีกให้หมดเนี่ยคุณเนี่ยเป็นลูกชาวสวรรค์จริงๆและข้อสุดท้ายข้อที่ห้าลูกที่ดีของพ่อแม่ต้องขอดูอาว่าง รับบิคุฟิลลีวะลิวะลิดายะวรหัมหุมากามารอบบัยานิสกโรโอหะธรมนี่คุณอ่านสอนหมดเลยชีวิตของเราอต่อมาครับข้อที่ข้ออะไรข้อที่เจ็ดทรงทำให้ฉันสนองอพ่อแม่พ่อต่อแม่ของฉันไม่ใช่เป็นคนหยาบช้าต่อมารดาเช่นในคำพีอินยินอ่าไม่ใช่ ข้อสุดท้ายข้อที่แปดนะครับวัลลัมยาจานีจับบาลชติยาพราะองค์มิทรงทำให้ฉานเป็นผู้ที่ยิงยะโสโอแสดงว่าถ้ า, ายิงยะโสเตท่าเนี่ยอลรถชอบไหมไม่ชอบและยิงกับพ่อแม่จะเหลืออะไร <laughs> ฉะนั้นตำแหน่งอันนี้ท้าอันนี้ท้าเย่อหยิงจองหงยะโส อัลลอฮ์ไม่ชอบแล้วก็มีใครชอบสักคนหนึ่งอ่ะญาติพี่น้องกันอัลลอฮ์วางตัวเตะขาน่าดูเลยคนนี้เงินแค่สิบล้านเองอยู่ในธนาคารเนี่ยยิงแค่นี้ลเลยแฉะนั้นลดให้หมดกับญาติพี่น้องเราเนะี่ยอย่าไปเย่อหยิงจ้องของนะอา้าวสรุปก็คือนบีอิซาพูดขณะที่อยู่ในเปแล้วมีอีกคำหนึ่งสักดียันอัลลอฮ์ไม่ทรงทําให้ฉันเป็นคนที่มีเข้อร้าย สติยาแปลว่าคนคนเลวคนมีข้ อ, อรายตัวลงก็มีอยู่แปดเรื่องด้วยกันที่น บ, บีอิสลาได้รับจากอัลลอฮ์แล้วก็พูดขณะที่นอนอยู่ในเปลคนงงหมดเลยเลยลืมเลยลืมนังมารยยมเลยว่าชีวามไม่ดีไม่ดีมาเจอน บ, บีอิสาตอบแก้ปัญหาให้จบหมดเลยครับเงียบสังคมเงียบหมดเลย ยางนีเป็นต้นเอาแล้วครับขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาแล้วที่เราได้รับความรู้จากอัลกุรอานนี่เรื่องของเราเรื่องของเรื่องของเป็ดเนี่ยเรื่องพวกเราหมดเลยใช่ไหมทำตัวดีอะไรดีไหมทรยศไหมเยอะยิงไม่จ้องห้องอัลลอฮฺสอนมนุษย์ทุกคนสุบฮานะกัลลอฮฺมัลลิฮามดิกะชุลลัยลลาฮิลลาฮิอัลลออัลตะสตักุร์บะบาตูบิเลกซุลลามาลีกุมุลจุมตุลลอฮฺบาริกะ